27จิตเบิกบานเพราะมีสติรู้ทันจิตโดยไม่ได้จงใจจะรู้วงเล็บเปิดสามีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที25วงเล็บปิดถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจถูกต้องมันจะเบิกบานอันตโนมัติเลยมันเบิกบานโดยตัวของมันเองความสุขความเบิกบานมี2ชนิดชนิดหนึ่งต้องมีเรื่องมาถึงจะเบิกบาน อีกชนิดหนึ่งไม่มีเรื่องอะไรเลยแค่มีสติก็เบิกบานแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยความเบิกบานเคยได้ยินคำว่าในเครื่องหมายคำพูดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหมเบิกบานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วคนเอาของมาให้ชั้นเยอะนะหรือว่าเบิกบานเพราะได้หมจีวรใหม่เท่กว่าพระอื่นไม่ใช่เบิกบานเพราะว่าเป็นผู้รู้รู้สึกตัวขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นมา หลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้วใจมันก็เบิกบานในตัวเองเห็นไหมเรารู้ทันจิตของเราเราตื่นขึ้นมาใจเราก็เบิกบานเป็นไปได้เพราะสติเกิดรู้ทันจิตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้จงใจจะรู้เราเห็นว่าจิตนี้ตื่นก่อนร่างกายพอเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตก็เบิกบานขึ้นมา